เ, เปลี่ยนตัวภาวนาพยายามเอาชนะตนเองให้มันได้การเอาชนะตนเองนี่แหละเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งของภาวนาก็คือว่าเอาชนะตนเองเอาชนะตนเองในความจริงแล้วตนเองนี่มันไม่ได้ดีมันไม่ได้ร้ายอะไรหรอก มันเป็นปกติแต่ถ้าว่าสิ่งที่มาแอบแฝงอยู่นี่มันมันไม่ดีความโลภความโกรธความหลงมันเป็นเหมือนไฟมันไฟที่เผาอยู่ในนั้นแล้วสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นมันอยู่นาน มันอยู่นานแล้วก็มันมีโอกาสเยอะทําให้เรานึกว่าอันนั้นคือคือพวกเดียวกันก็เลยสงคบคิดกันร่วมมือกันร่วมมือกันทําร้ายทำร้ายแบบทำร้ายตนเองนี่แหละทำร้ายจิตทำร้ายใจนี่แจิตใจนี่ไปสงคบ กับความไม่ดีเมื่อมาอยู่นานเก่าไปแล้กพอพวงเดียวไปเนีน่ยเราจะเอาชนะกเลยเอาชนะตนเองนี่เพราะว่าถ้าบอกว่าจะเอาชนะกิเลสหาตัวตไหลยมันก็ไม่พบกิเลสเพราะ ว, ว่าเราจะไปหาที่ไหนมันก็จิตเราใจเราก็ออกรับทันทีหรือว่าเป็นของดีของตัว อย่างเช่นความโกรธอย่างนี้นะความโกรธ ค, ค, ความโลภความหลงความโกรธนึงว่ามันเป็นของดีถึงกับว่ายกพวกไปแก้แค้นกันล้างแคนกัน อ, อย่างประเทศนั่นมาทำลายประเทศนี้หรือศาสนานั่นมาทำลายศาสนานี้นีกนน่กายนี่ไปทำลายนี่กายนั่น มีการแก้แค้นกันนึกว่าการแก้แค้นมันเป็นเรื่องดีตีกันควร่างขั้งแตกฆ่ากันตายมากมายไม่ได้นึกว่าเป็นของดีที่แท้ฟันโกรธเน่นนะเป็นของที่ไม่ดีแท้ๆอยู่ที่เราเองเราก็รู้จักถ้าพิจารณา ความโกรธมันมีนะ่มันดีที่ไหนลรามันตัวเองก็ร้อนร้อนรุ่มในใจร้อนรุ่มในใจถ้าร้อนรุ่มในใจมากแล้วระเบิดออกไปหาคนข้างนอกต่ลุกลามไปหาหมูนะ่คณะไปหาสังคมไปหาประเทศชาติเดี๋ยวนี้มันลุกลามไปเป็นทั่วโลกเลยฟามโกรธ อย่างที่บางประเทศเขามาปากก่อการร้ า, ายถลมก็เลยโกรธโกรธจะลุกลามไปมันทั่วประเทศเนี่ยนหะก็เลยเกิอดคือความเดือดร้อนเนี่ยไมไ่สังเกตรูว่าเออมันที่มันร้อนเนี่ยร้อนอยู่ในเรานี่ยแล้วมันทำไมมันจึงร้อนเพราะความโกรธร้อนอยู่ในนี้ ทนี่จะไปปราบตรงไหนปราขภายนอกอ่ะมันจะไปปราบหู่ที่มหนไหนต้นเข้ามันอยู่ในนี้ต้นเข้าอยู่ในนี้ต้องปราบในนี้โลกก็เหมือนกันความอยากได้อะไรต่างๆนั่ะความอยากได้เนี่ยมันเกิดอยู่ในนี้กนเกิดอยู่ในนี้มันร้อนเพราะอยากได้เมื่ออยากได้จิตใจก็ามาอยู่เป็นสุกแล้วอยาก มีแต่อยากอยากได้อยากมีอยากมีอยากเป็นอยากเล่นอยากดังอยู่ไม่เป็นอลับอาห น, นอนไม่เป็นสุขสบายนั่นมันร้อนพัวหักที่หนาก็เหมือนกันความหลงความไม่รู้ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรก็เลยจิตใจก็ว้าวุ่นว้าหุ่นกบบที่รุ่มร้อนนั่นแหละกังวลบ้างสงสัยลังเล น, ะนั่น เป็นลักษณะของความหลงคือหลงมันไม่รู้แล้วไม่รู้นี่ยังเป็นเหตุให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธที่ไม่ลารพัดมันเกิดจากเจ้าของนี่แหละแต่ก่อนพูดเข้าไปถึงจุดมันก็คือมันเกิดจากใจนี่แหละที่เราเอาชนะหรือเราปราบก็ควรจะปราบใจเอาชนะก็เอาชนะใจตนเองนี่แหละ เราที่มาภาวนาเนี่ยเรียกว่ามามาถึงที่มันถึงจุดมันแล้วถูกจุดมันแล้วนะเราจะไปตีข้นอกไปปราบข้างนอกไปปลา ย, ลายแถวมนะันเรามาปราบถึงที้ถ้าปราบตรงนี้ได้แล้วชนะคือมันสงบลงได้เมื่อไหร่แล้วร่มเย็นถึงหมดทั่วกันเราก็ร่มเย็นหมู่เพื่อนก็ร่มเย็น ทั้งคมเล็กปรุงเย็นทั้งผมใหญ่ปรุ่มเย็นประเทศชาติล่มเย็นทั่วโลกล่มเย็นหมดศาสนาพุทเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้ให้มีความเอื้อเฟื้อให้ละความโกรธให้ละความโลภให้ละความหลงเพราะโดยเฉพาะความโกรธนั่นนะพระพุทธเจ้าจัดไว้ถ้าใครได้เคยศึกษา ไม่เคยได้อ่านอาจจะเคยได้ฟังครูบาอาจารย์ทุนเท่เลยพระพุทธองค์ทรงจัดกับพิสูจนั้นบอกว่าพิสูจทั้งหลายถ้าพวกเธอถูกโจรจับขึงอยู่ขึงพืดอยู่เอาเรื่อยมาเรื่อยกลางลํำตัวขึ้คาดขึ้คาดมันจะเก็บขนาดไหนลองดูพระองค์ตรัสว่า ถ้าเผื่อเธอยังมีความโกรธแก่โจรหนึ่งแม่นิดเดียวก็ยังเรียกว่ายังไม่ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเจ้าพระคต์ก็คงจะหมายความว่ายังไม่ได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใหถึงที่สุดนั่นแหละถ้าถึงที่สุดแล้วคือไม่โกรธแน่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติอย่าลืมเสีย ว่าต้นเหตุต้นเข้าของสิ่งต่างมันอยู่ในเราถ้าเรารู้สึกว่ามันทุกข์มันเดือดร้อนจะเดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรก็สุดแพ้แต่เถ้าสืบสาวกันไปจริงๆด้วยเหตุด้วยผลจริงๆแล้วไม่เข้าของฝ่ายตัวเองจะเห็นว่าทุกสิทุกอย่างมันเกิดมาจากเรานี่แหละเกิดมาจากเราเกิดมาจากจิตใจของเราเนี่ย เพราะฉะนั้นเรามาตู้ถ้าุศึกสู้ให้มันถูกสู้ให้มันถูกตัวมันนี่ฉะนั้นไม่ไม่ชนะหรอกไม่มีโอกาสชนะดีไม่ดีปลหลอกปลกล็อกไปเหมือนกับเขาหยอกเด็กน้อยหมโหซ้ายโมโหวขวาไปจนในที่สุดก็หมดโอกาสหมดเวลาการที่เรารู้สึกว่า จิตใจเราเป็นยังไงกระตับกระส่ายไม่เดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะอะไรหลังเลเพราะอะไรสงสัยอะไรหรือเกิดมีความใกล้ความรักในอะไรต่างๆนั่นนะรีบกลับมารีบกลับเข้ามารักษาใจไว้ให้รู้จักว่านั่นแหละคือจิตใจเรามันออกจากความสงบมันออกหนีไปจากความสงบไปแล้ว จิตใจที่สงบมันจะล่มเย็นอยู่ที่นี่มันเลิกล่มเย็นมันหยุดล่มเย็นมันเดือดร้อนหรือมันกระจับกระตายหรือมันไปรักหรือมันไปทางหรือมันไปโกรธนั่นมันออกไปจากความดีแล้วออกไปจากปกติแล้วมันทำไมมันออกไปนั่นก็มันออกไปตามตามสหายมันน่สหายมันบอกว่าอย่างนี้ต้อง จัดการทีเดียวนะอย่างนี้ต้องโกรธอย่างนี้ต้องรักมันก็เลยออกไปตามจะหายของมันคือที่จริงแล้วตัวเองท่านได้หวัดจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้นั่นแหละคือตัวของจิตเองอันนั้นเป็นความบริสุทธิ์คือไม่มีรักไม่มีชังไม่ทางใครไม่รักใครอยู่เป็นกลางกางเป็นปกติ ที่มันเต้าหมองเนี่ยที่มันกระตับกระต่ายเพราะมีหิมะเครือบอยู่ฉันว่าอย่างนั้นคือไปสมคบคิดนั่นเองโดยเดิมแทนจิตเหมือไม่มีอะไรไม่มีความเลวร้วายอะไรจิตใจของคนแต่ว่าที่เลวร้วายก็ไปสมคบคิดไม่ดีสันดานเดิมดีอยู่ ไปพบเพื่อนที่ไม่ดียื่งพบกันมานานก็เลยนึนกลบเพื่อนตายนั่นแหละเราปราบว่าจะไปปราบเพื่อนตายแค่ไอเจ้าจิตนี่มันก็ไม่พอยอมนั้นก็เลยต้องปราบต้องฝึกฝึกกันก็เลยฝึกที่จิตเมื่อจิตฉลาดแล้วมันก็รู้ตัวรู้เรื่องเมื่อรู้เรื่องแล้วก็เลิกพบกันเท่านั้นแหละเลิกพบกับเพื่อนที่เลวร้ายเมื่อเลิกพบได้ มันก็ร่มเย็นอะไน่นแต่ก่อนนี่ที่มันไม่ร่มเย็นกพเพื่อนชักไปลากไปดูไปชักชวนไปไปเดือดไปร้อนอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนนั่นอยงนั้นสรุปแล้วถ้าไม่กล่าวโดยเหตุดยผลอะไรคือมันพูดยากมันพูดเรื่องยาวเหลือเกินครู่าอาจารย์ท่ า, านเคยบอกว่า เอาทำใจให้สงบก่อนเลยหัดทําใจให้สงบก่อนซึ่งในที่สุดแล้วถ้าทําใจให้สงบแล้วมันถูกไปที่หมดทุกอย่างเลยถูกไปหมดการทําใจให้สงบมันเป็นความสบายเป็นความสุขเป็นความร่มเย็นถ้าเราสงบสงบจากความุผูกพานจากอารมณ์ต่างๆ อันนี้ก็เป็นสมาธิคือก็ได้รับความสุขได้รับความสุขระดับหนึ่งนะเป็นความสุขขนาดหนึง่งแต่ถ้ามันสงบสงบจากความผูกความมัดความดึงความรั้งไปต่อโอ้อันนั้ น, นสงบอันนั้นเป็นความสุขเป็นอิสระภาพเรียกว่าตัดขาดตัดขาดจาก ความไม่ดีทั้งหลายตัดขาดจากเพื่อนเลวร้ทั้งหลายอันนนะ่ะเป็นอิสรภาพเป็นความบริสุทธิ์ของกลับคืนมาเป็นตัวของตัวเองนั่นเรียกว่าจิตเดิมจิตเดิมแท้นะ่ะเป็นประพัดสอนท่านเปรียบเหมือนอย่างกับก้อนเพชรอย่างนี้นะ่ะเพชรเนี่ย น, นะมันสะอาดความจริงมันสะอาดแต่บางทีเรามองเห็นเพชรตามธรรมชาติ มันก็ไม่ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินก้อนขั้วอะไรไม่ได้ถูกไซส์ระหว่างแหววาวอะไรเลยเพราะว่ามันมีอะไรมาเคลือบอยู่ข้างนอกต่อเมื่อเขาเอามาล้างข้างนอกออกมันก็เลยส่งคุณภาพของมันออกมาปราดกว่ า, านี่นแหละความที่จิตนี่จิตนั่นลอยจิตกังประพฤตรังจิตเดิมแพ้่นั่นเป็นสิ่งที่สะอาด สุดใสบริสุทธิ์การที่เต้าหมองก็เพรากว่ามีกิเลสมาเครือบไว้ไม่ใช่ไปผสมในนั้นนะไม่ใช่ไปผสมในเนื้อของจิตหรอกมันมาเครือกเอาไว้ถ้าเราล้างกิเลสออกลอกเอากิเลสออกไปจากจิต เ, เมื่อไหร่จิตก็จะคงความเป็นปกติเดิมคือความสะอาดหมดจดขึ้นมาทันที ด้วยพระวจนะอันนี้ยังเป็นสิ่งที่สามารถทำได้แล้วก็พวกเรามีความหวังว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้บริการขัดเราเองที่มันติดอยู่นอกผิดออกไปซึ่งสามารถทำได้แต่ถ้ามันเป็นของปัวกบฏอยู่แล้วถึงเราจะขัดยังไงฟูยังไงฟูนอกฟูนอกสะอาดหมดแล้วมันก็ยังไม่แหวว่วาเรื่องมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้ว่าจิตเดิมนั้นไม่มีเลวร้ายหรอกไม่เลวร้ายเราสามารถจะปุกพลอบรมได้แต่ขอให้พยายามระมัดระวังอย่าให้สิ่งที่เครือบเแี่ยมันพอกปูลหนาขึ้นอย่าให้มันโกดบ่อยอย่าให้มันรักบ่อยอย่าให้มันชังบ่อยอย่าให้มันหลงถ้ารู้สึกว่า จิตใจปัน่นขวนเนื่องจากความโกรธเนื่องจากความโลภความรักเนื่องจากความหลงความกังวลอะไรต่างๆให้รู้ไว้เถอะว่าอันนั้นนะคือสิ่งที่มาครอบสิ่งที่มาครอบเพื่อนที่ไม่ดีมันชักจูงแล้วนะมันชักจูงออกไปแล้วรื้กลับมาเสียกลับมาพยายามรักษา จ, จิตใจว่าให้เป็นปกติอยู่ทุ่ ง, ถ ง, งบถ้าจะพิจารณาว่า มันร้อนเพราะอะไรนาะก็จงพิจารณาว่ามันร้อนเพราะเราเนี่ยเพราะจิตเองนี่ลหละอย่าไปปราบที่อื่นให้ปราบปราบตัวเองปราบจิตถ้าปราบที่อื่นแล้วมันไม่ถูกหรอกรังแต่จะลุกลามใหญ่โตไปไม่ถูกต่อไปนี้วันเทศเ์หลวงปูนั่งภาวนาต่อ